บุ๊ก2 94คำสันธานหนึ่งรอจนฝนหยุดก่อน รอจนผมเสร็จก่อนรอจนกว่าเขาจะกลับมาผมรอจนกว่าผมจะแห้งผมรอจนกว่าหนังจะจบ ผมรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่กอลีติไปเยเดชนา п ป ч ы н ิ к กก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ ยังเฉยเป็นอดเ і ่นนิเมคันนใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม так яшчэ д ย та t o ho yak pochnut se letnia k a ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม а д r a m a n t u idach dato ho yak p o c h ц e t s se ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ ปาไ руки п е р ш ч พ м с อ д а т ь за стол ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก а ч ช н ีอักโนเพื่อทิมจ к п о й д จะส์ дому คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ค่าลี่จะไ е ย์จะ д о ดูหลังเลิกเรียนหรือครับหลังเลิกเรียน หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทำงานไม่ได้อีกต่อไปหลังจากที่เขาตกงานเขาไ не мог п р อ ц а ร а ц าหลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา аго ย้อนเ а ียเข้าอเมริกาหลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกาเขาก็ร่ำรวย